แต่การเรียนปริยัติจะไม่ใช่หมายถึงต้องเรียนให้ได้นักธรรมเอกให้ได้ป ร, ริยัติก้าให้ได้พุทธศาสตร์บัณฑิตอย่างเงี้ยหรือเรียนอภิธรรมจบทั้ง9้าปริเชษไม่ต้องมากขนาดนั้นก็ได้รู้หลักของสมถากิจปัสสนานี่สำคัญมากเลยแต่หลักสูตรนักธรรมเอกเนี่ยเรื่องสมถาวิปัสสนานะ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 สติเป็นสภาวะที่ระลึกรู้ทําหน้าที่ระลึกรู้ถ้าเระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆั่วไปจิตใจก็เป็นคนดีดีแบบอยู่อโลกอย่างอยากฟังธรรมอยากทําบุญอยากใส่บาตรอยากทําสังคมสงเคราะห์อะไรจิตใจที่เป็นกุศลนนะีมันมีสติอัตโนมัตินะ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 สิ่งที่มีประโยชน์นั้นอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เรางั้นสิ่งที่มีประโยชน์ก็เยอะแต่ไม่ได้สมควรแก่เราทุกอย่างอย่างเวลาพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานทุกสิ่งที่ท่านสอนมีประโยชน์ทั้งสิ้นแต่ไม่จำเป็นสำหรับเราต้องเรียนทั้งหมดคนคนหนึ่งนะต้องการกรรมฐานไม่มา ก, กคนลราอย่างสองอย่างเท่านั้นเองถ้าทำให้เด่นเดียวจริงจังไปก็จะถึงที่สุดแห่งทุก เงี้ยสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาเบื้องต้ น, นที่จะสอนเรา ท, ที่ใจมันจะฉลาดขึ้นมารู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระนั้นอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์นั้นอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เรานะพอรู้สิ่งที่สมควรแก่เราแนละ้วก็ไม่หลงลืมมันไปนะภาคเพียรปฏิบัติไปไม่หลงไม่ลืมมันไป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 คนไทยมาแปลสัมปชัญญะว่าอะไรนะความรู้สึกตัวมามุ่งตัวหลังเนี่ยจริงแปลไม่ดีแปลได้ไม่ดีคำนี้สติความระลึกได้เนี่ยแปลได้ดีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวแ ป, แปลแปลละภาษาสมัยเรานี้สับสนแล้วแค่คิดว่ารู้สึกรู้ตัวคนละตัวกันรู้ตัวนคือจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นมีสติระลึกรู้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 ย่อลงมาเป็นสามนะนะย่อลงมาเป็นสามจิตที่มีกิเลสมีแปดตัวเองตัวกิเลสนมีสามตัวนะตัวกุศลน่นับไม่ท้่วเลยนะตัวกุศลเนี่ยเยอะแยะเลยงั้นกุศลเนี่ยมีองค์ธรรมนะเยอะกว่ากิเลสนะเคยได้ยินโพธิปักขียธรรมไห ม, มโพธิปักเอาแค่อริยมรกมีองคนะ์แปดเนี่ย ก็เยอะกว่าราคาโทรศัพทโมหะแล้วเห็นไหมนะกูลเนี่พวกมากนะแต่ไม่ค่อยสามัคคีกันต่างคนต่างอยู่ศีลก็อยู่ส่วนศีลสมาธิอยู่ส่วนสมาธิปัญญาอยู่ส่วนปัญญาเวลากิเลสมาเนะี่ยสู้มันไม่ไหวนะแต่เวลาภาวนาไปเรื่อยในะตอนที่บรรลุมรรคผลเลยเนะี่ยกูสนทั้งหลายมันจะรวมพลังเข้าเป็นหนึ่งแนละ้วมันทําลายกิเลส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 จิตใจของเราเป็นพวกราคะมากโทสะมากหรือโมหามากอะไรเงี้ยชอบพิจณาใช้เหตุใช้ผลมากหรือว่าเชื่อ ง, องมงายงายย่ายนะอะไรเงี้ยจิตใจเราเป็นแบบไหนมาสํารวจสํารวจแล้วเราก็จะรู้ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับเรานะในการทําสมถกรรมฐานราคะจริตโทสะจริตโมหจริตพุทธิจริตวิตกจริต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 พุที่ฉริตมีตกฉลิตศรัทธาฉลิตพวกที่จริตเนี่ยพวกสมบูรณ์ด้วยเหตุผลต้องสมบูรณ์ด้วยเหตุผลคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลพวกมีตกฉลิตเนี่ยพวกคิดสเปสสปะพวกศรัทธาจริตเนี่ ย, พ ว, ะะ พ, วยพวกเชื่อง่ายน้อมไป ม, ไมีไหมใครบางคนไปเจอครูบาอาจารย์นั่งน้ำตาไหลพลื้มปมพวกศรัทธามากศรัทธามากก็ปัญญาน้อยเป็นธรรมชาติอย่างนั้น ศรัทธา ม, มากปัญญาก็จะน้อยเพราะไม่ใช่เหตุใช้ผลนะสมัยก่อนหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่เทศนะตอนโยมมาหานะมีโยมอยู่คนหนึ่งเจอทุกปีเลยถึงปีหนึ่งแกจะมามาเจอหลวงปูนะ่วก็นั่งน้ําตาไหลไหลไหลไหลเราก็ดูเขาเป็นอะไรเขาว่า <c oughs> <c oughs> อ๋อศรัทธาศรัทธามีปีติเกิดปีติอีกปีหนึ่งมาอีกแล้วก็น้ําตาไหลอยู่นะั่นนะ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 สสนิพพานกรรมฐานเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ทําไปเพื่อให้เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงแล้วจิตจะปล่อยวางความยึดถือจะบรรลุมรรคผลเพราะจิตปล่อยวางความยึดถือยึดถือในรูปในนามนั่นแหละส่วนสมถกรรมฐานทํำไปเพื่อความสุขความสงบความดีนะเพื่อให้มีเรี่ยวมีแรงจะได้มีกําลังทํานิพพาสนาจริตที่จะมากําหนดว่าจะใช้อารมณ์อะไรทำสมถะมีหกจลิต ราคาโทสะโมหะศรัทธาวิตตกพุท ธ, ธิจริตหกอั น, นไปดูเอาหลวงพ่อไม่ลงรายละเอียดนะในหนังสือที่หลวงพ่อเขียนเขียนไว้ก็มีไปหาอ่า น, นก็แล้วกันว่าแต่ละจริตนั้นใช้กรรมฐานอะไระหลักๆ ก, ก็ราคาโทสะโมหะเนี่ยดูเป็นตัวหลักเป็นจริตหลักๆตัวที่เหลือนั้นเป็นตัวประกอบเข้ามา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 ใจเคิเป็นโมโหไหมบางวันเข้ามาในรถนี่พวกนี้ น, นะขี้โมโหเนี่ยดูอย่างเนี้ย ด, ดูจริงๆขอาเราไม่ต้องดัดจริตแนะมงวันมาเกลียดมันจะตายแล้วอสัตว์ร่วมโรคไม่เป็นไร <c oughs> มึงอย่าเผลอนะไอ้ <c oughs> อย่างนั้นนะจริตชนิดดัดจริตนะไม่เอาซื่อๆเลยรู้ตัวเองเลยว่าจริตเป็นไงนะแล้วก็มาเลือกอารมณ์จลิตของสมถะมีหก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 ถ้าหากเราเป็นพวกคอยส่องกระจกวันละห ล, หลายสิบครั้งนะพวกตันหาจริตดูไว้เลยไปไหนดูแต่ว่าเขามีอะไรขายนะี่นี่พวกตันหาจริตนะพวกเนี้ยถ้าวันวันนะสมกมุ่นใช้เวลาส่วนใหญ่กับเรื่องพวกนี้นะก็รู้นะว่าเป็นพวกตันหาจริตวันหนึ่งก็คอยส่องเรื่อยเนี่ยเติบนิด น, นึดนงเดี๋ยวก็หยิบ ม, มาสอ่องอุดยเติบตรงนี้หน่อย <c oughs>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 หรือเจริญธรรมานุปนะัสสนาเห็นกระบวนการ <c oughs> เห็นแต่รูปกับ น, นามธรนะรมานุปนะัสสนาดูทั้งรูปทั้งนามนะเป็นกระบวนการอย่างบางทีก็รู้ว่านิวรณิวรณ์เกิดจากอะไรนะบางทีกินมากนิวรณ์ก็เกิดนึกออกไหมง่วงนอนเนนหน็ดเหนื่อยนิวรณ์ก็เกิดไหมมันสัมพันธ์กันนะระหว่างกายกับใจระหว่างรูปกับ น, นามนะแล้วคอยรู้นะโพชฌง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 อันนั้นปฏิจัสมบัตินั่นแหละอริยสัจแต่ว่าทุกคนนะไม่ว่าภาวนาอะไรเนี่ยมันจะมาลงที่อริยสัจสุดท้ายลงที่อริยสัจทุกค น, นมาแตกหักถ้าไม่เห็นอริยสัจเน่ยข้ามภพข้ามชาติเป็นพระราหันไม่ได้พระราหันเห็นอริยสัจถ้าใครเ็าถามเร า, าพระราหันเห็นอะไรจะตอบว่าไงก็เห็นรูปด้วยตานะนะได้ยินเสียงด้วยหูมไหม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 เห็นขันมันทํางานเห็นกระบวนการทํางานของจิตเห็นการปลุงนิวรณ์ขึ้นมาอะไรเงี้ยสารพัดมีดนานาชนิดถ้าดูงั้นสํารวจตัวเองนะวันแรกนี้มาเข้าคอร์สอย่างน้อยต้องรู้ไปสํารวจมานะให้เวลาสํารวจตอนไปกินข้าวนี้แหละนะให้มาสารวจตัวเองว่าจริต